พึงพากันตั้งใจตั้งใจเนี่ยคนเราทำอะไรไม่ตั้งใจเราไม่สำเร็จมันต้องตั้งใจให้ไ่วแน่เรามาปฏิบัติธรรม ก็เพื่อมาฝึกตั้งใจนี่แหละความจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดใจนี่มันไม่ค่อยตั้งส่วนมากมันล้มเหลวไปตามเรื่องต่างๆมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็คิดปรงแต่งไปตามเรื่องนั่นๆ ลอยลมอยู่อย่างนั้น <c oughs> มันจึงพ้นจากทุกในสงสารนี่ไปไม่ได้ก็เพราะใจลอยนี่เองเนี่ย <c oughs> บนี้เมื่อเรามาฝึกขนอบรมตนนั่งสมาธิภาวน า, านก็มาฝึก ตั้งใจไม่ให้มันลอยไปตามอารมณ์ต่า ง, างๆพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเลื่อยมาเขาว่าไม่คิดส่งออกไปทวนความคิดให้ย้อนกลับเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกอันเนี้ย หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่นี่เนี่ยเราทวนเข้ามาหาความรู้อันนี้ให้มันมารู้อยู่ที่รู้นี่เมื่อทวนเข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็หยุดคิดได้มันก็ไม่คิด <c oughs> ถ้ามันจะคิดก็คิดพุดโธ คิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอารมณ์ถ้าผู้ไม่ชอบคิดก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้นก็ได้เพราะจุดบ่งหมายก็เพื่อให้จิตมันสงบจากความคิดนี่แหละการเพ่งลมหายใจก็ดี การนึกพุทธโธก็ดีหรือว่าการเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เหมือนกันนะจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ใจมันหยุดคิดให้มันยับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี่ถ้ามันจะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็กาหนดละมันทันทีไม่ส่งเสริมความคิด ในเวลานั่งสมาธิภาวนา <c oughs> ไม่ใช่มานั่งคิดนะนั่งหยุดคิดนั่งสงบจิตต้องให้รู้จักความมุ่งหมายของตัวอย่างนั่นเมือ่อผู้ใดรู้จักความมุ่งหมายขอยงตัวเองเนะผมันก็รู้จักสะกดจิตไว้อ อย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงแต่งไปถ้าไม่รู้จักความมุ่งหมายของตัวเองนะมันก็มานั่งคิดแต่เนี่นยมีอะไร อ, ะ <c oughs> อย่างนั้นให้รู้จักความมุ่งหมายของการทำสมาธิภาวนาเมื่อรู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ทำลงไปเลย หายใจเข้าไปก็นึกว่าเราจะหยุดคิดหายใจออกมาก็คิดว่าเราจะหยุดคิดเราจะไม่คิดสายไปในเรื่องใดๆเพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องทำการงานด้วยกำลังกายกำลังวาจาอะไรไม่ไม่มี นี่จะทำงานทางใจคือว่าจะทำใจ ใ, ให้สงบเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาในธรรมเพราะความรู้ในทางธรรมนี่มันต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าไม่ได้ความสงบแล้ว ธรรมะจะไม่เกิดขึ้นในใจมันจะมีแต่เรื่องของภายนอกนูน่นนาปรากฏในใจถ้าทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆดับจากใจแล้วใจผ่องใสแล้วนั่นแหละธรรมะ <c oughs> ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลย่อมเกิดขึ้นจากจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานนั้นให้พึงเข้าใจเมื่อธรรมะเกิดมันเป็นยังไงอ่ะมันก็ให้รู้จักความทุกข์ของร่างกายสังขาร น, นี่แหละ การที่ดวงจิตมาใสายอยู่ในร่างกายอันนี้มันยากมันลำบากมันเห็นอย่างนี้เพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่เสมอกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นไอเดี๋ยวก็ปวดท้อง เดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เจ็บแข้งเจ็บขาอยู่อย่างนี้แล้วทําไมจึงไม่พิจารณาอในเมื่อร่างกายอะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนี้นะมันควรจะพิจารณานี่คนเรา พิจารณายัางไงอ่ะพี่นะอา้าวนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ใช่เหร อ, อก็ต้องถามตัวเองแหละแน่นอนเราไม่ได้มาอาศัยอยู่ในของที่เที่ยงแค่ยั่งยืนอะไรเลยร่างกายอันนี้ไม่ใช่เนของยั่งยืนอะไรอ่ะควรตื่นตัว ตือนอย่างไรอ่ะตื่นก็บทำความรู้เท่าแหละความทำความรู้แจ้งตามเป็นจริงรู้แจ้งว่าร่างกายนีไม่ใช่ของเราเป็นแต่เรือนร่างที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารบ้านเรือนต่างๆนั่นเอง คนพวกนั้นไม่ใช่จะได้อาศัยบ้านเรือนนั้นตลอดไปหนอหนึ่งหมดอายุสังขารแล้วก็จากไปเขาก็ไม่ไม่ได้เอาไว้แล้วซากศพอันนั้นร่างกายอันนี้เมื่อจิตปิญญาณถอนออกแล้วเขาก็หามไปสู่ป่าชาไปฝังไปเผาเสียเท่านั้นเองหาไดาอยู่บ้านหลังใหญ่หญโ ต, โต สวยๆงามๆนั้นตลอดไปไหมแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยได้พิจารณากันเพราะฉะนั้นแหละตายลงไปแล้วจิตวิญญาณมันจึงไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันอะไรที่อยู่ที่อาศัยอะไรลูกหลานญาติมิตรสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองสราพัฒ มันอะไรร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันจิตนี่อะไรหลายไม่อยากจากไป <c oughs> พอรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงเลยก็เอาแล้วน้อยเนื้อทำใจว่าเรานี่จะตายพัดภากจาก ของรักของชอบใจต่างๆไปแล้วหรือนี่วิตกเท่าใดก็ยิงสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเท่านั้นอเพราะว่ามันไม่อยากตายเนื่องมันนะ่ะนั่นแหละที่ทําให้คนเราเป็นทุกข์นะทําให้ดวงจิตนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนนะก็ะเพราะมันมันไม่อยากพัดพลาดจาก ร่างกายอันนี้พูดเก่งง่ายๆแต่ว่ากดธรรมดามันไม่ยกให้มันเจ็บอะไรยังไงไม่อยากพัดลาดอย่างไรมันก็จำใจต้องจำจากมันวน่านะเพราะกดธรรมดามันมีอยู่อย่างนี้พระศาสดาทรงสอนให้ว่าควรเบื่อควรนาย นี่แต่ถึงกระนั้นคนเราเมื่อถูกตัณหายอมจิตยอมใจแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่นายในรูปร่างอันนี้นะมันก็ยังหวงอยู่งั้นเนี่ย <c oughs> ดังนั้นนะอุบายวิธีที่จะทำใจให้เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ พระศาสดาก็ทรงนเนะนแนวทางไว้แล้วสมถะกะวิปัสนาเมื่อทำใจสงบลงไปได้ใจไม่มีกังวลไปภายนอกแล้วมีแต่มันตั้งอยู่ภายในรู้อยู่แต่ภายในนี่เช่นนี้แล้วมันก็สามารถเพ่งพิจารณาดูอาการกิริยาของร่างกายสังขารอันนี้ นี่เพ่งดูได้สบายเลยวะนี้เมื่อจิตมันหยุดยั่งอยู่ภายในแล้วเพ่งดูทํำไมจะไม่รู้วะนี้รู้ความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เมื่อเพ่งดูเวลาใดมันก็รู้เวลานั้นเพราะความไม่เที่ยงในมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นบางครั้งบางคราว มันก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลายอยู่อย่างนั้นกนะ็ <c oughs> ไม่ปรากฏอย่างไรแล้วเพราะรา่างกายนี่มันเคลื่อนไหวอยู่เสมอนี่มันอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้เนี่ยนั่นแหละแสดงว่ามันไม่เที่ยงเลยมันจะเคลื่อนไหวไปมาอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรต่ออะไร อยู่อย่างนั้นน ะ, ะมันยังพออยู่ได้ถ้าเราไปนั่งนิงน่งๆอยู่ตลอดเวลาเงาไปดูสิไม่มีทาง้วมันจะไปอยู่ได้ร่างกายนีนมันก็ปวนปั่นเข้าไปกระทบกระทั่งกับดวงกิตนี่จิตนี่กระทนไม่ไหวเน้ะ จิตนี่ก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องบังคับกายนี้ให้นั่งอยู่กับลุกขึ้นเดินไปนอนอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งอย่างนี้เนี่ยทำานนทํานี้ไป <c oughs> มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ลหละ แต่สําหรับผู้ที่ไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นะถึงแม้จะรู้สึกทุกข์อย่างไรมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายมันจะทําความรู้เท่าทุกข์นั้นก็ไม่เป็นเพราะว่าทุกขน์นี่ในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็ย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นละไม่ได้ มีแต่ทำความรู้เท่าเอาเท่านั้นแหละรู้เท่าอย่างไรอ่ะก็รู้เท่าว่ากองทุกขอันนี้ก็คือมันเกิดจากขันห้ามเมื่อมีขันห้านี่แล้วก็มีทุกขเมื่อมีทุกก็มีขันห้าเมื่อไม่มีขันห้านี่แล้วก็ไม่มีทุกขนี่มันตรงพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในขณะนี้แหละความความรู้สึกทางใจนะ่ะต้องสอนให้จิตนี่อย่าให้มันสำคัญว่ามีขันห้าอยู่ในตนอย่าให้มันสำคัญว่าตนมีอยู่ในขันห้าอย่าให้มันสำคัญว่าขันห้าเป็นตนอย่าให้มันสำคัญว่าตนเป็นขันห้า นี่มันต้องสอนจิตเข้าไปอย่างนี้อา้าวถ้าฉะนั้นก็ก็จะถือว่าตนไม่ได้อาศัยอยู่ในขันห้าหรืออาศัยอยู่แต่ว่าเหมือนกับน้ำมันอาศัยอยู่กับปบบัวให้ให้ให้ทำความรู้สึกอย่างนั้น น้ำไม่ซึมทราบเข้าสู่ว้บัวฉันใดมูนีทั้งหลายก็ไม่เข้าไปยึดถือขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนก็ฉันนั้นก็ให้มันทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้สอนจิตใจตัวเองอย่างนี้ <c oughs> <laughs> ก็อาศัยปัญญาแหละสอนจิตนี่นะให้เข้าใจไม่มีอะไรที่จะมาสอนได้จิตนี่นอกจากปัญญาแล้วเ อ, อ้ปัญญาก็เกิดจากจิตนั้นอีกแหละ เ, ออเป็นอยงนั้นเมื่อสร้างปัญญาเกิดขึ้นแล้วเอาก็ปัญญาจนะกลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่ง ปัญญากลับมาสอนจิตให้มันรู้ความจริงของชีวิตนะความจริงความจริงของชีวิตนี่ถ้าว่าโดยประมัทธธรรมแล้วมันก็หมายเอาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดา ไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเกิดขึ้นว่าโดยปรมาตาธรรมนั่นนี่นะนั่นไงเราต้องสอนใจพิจารณาให้มันรู้ซึ่งลงไปถึงปรมาตาธรรมอย่างนี้มันจึงจะไม่เกาะไม่คล้องอยู่ในโลกอันนี้จิต ด, ดวงนี้นะ <c oughs> เมื่อมันมันไม่เห็นว่ามีตัวมีตนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือเท่านั้นเองนะอะจิตนี่นะมันก็ไม่ยินดีไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายอาศัยอยู่ก็สักจะว่าอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะอืม <c oughs> เมื่อน้ำอาศัยอยู่ใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่ในน้ำอาศัยกันอยู่แต่ว่าน้ำไม่ซึมเข้าสู่ใบบัวนี่เราจิตให้เป็นอย่างนั้นประสาทสดาทรงสแสดงไวนะ้นะหมายความว่าเมื่อเมื่อจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันห้านี่เรามันก็ไม่ซึมเข้าไปจริงๆิงเนี่ย ถ้ามันยังหลงยินดียินร้ายอยู่นี่แสดงว่าจิตใจนี่มันซึมเข้าไปอยู่ในขันห้านี่ยมันสําคัญว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่นั่นเนี่ยหรือมันมันซึมหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเมื่อปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายมากเข้าอความยินดียินร้ายเนี่ยกลายเป็นความ กำนัดยินดีกลายเป็นความโกรธความพยาบาทซึมเข้าไปสู่ดวงจิตนี่นะความกำนัดยินดีความโกรธโมนี่ความหลงความมวัวเมาต่างโมนี่มันก็แทรกซึมเข้าไปสู่จิตเนี่ยก็ไปเผาจิตนีให้เราร้อนให้ฟุ้งซ่านให้เรื่อน้อย หาความสงบไม่ได้เลย <c oughs> ให้มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติไป <c oughs> ปกติของจิตถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสแทรกซึมเข้าไปแล้วมันก็มีแต่ความรู้สึกเฉยๆอยู่เท่านั้นเอง <c oughs> ทีนี้เมื่อกิเลสเข้าแทรกแซงเข้ามาแล้วมัน มันยังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้ไปแล้ววันนี้อนะมันเป็นอย่างไงเคยเยือกเย็นมาแต่ก่อนก็ร้อนขึ้นมาเคยสงบมาแต่ก่อนก็ฟุ้งซ่านไปออืมันเป็นยางไงเคยปลอดโปร่งมาแต่ก่อนก็อึดอัดเข้าไปแล้วบันนี้อํานาจของกิเลสมันแสดงอาการออกไปหลายอย่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็อย่าไปเชื่อมายาของกิเลสอย่าไปเชื่อกิริยาอาการของกิเลสอย่าไว้ไปตามมันเ <c oughs> มื่อคําว่าไม่เชื่อนะี่คือไม่ไว้ไปตามมัน <c oughs> นั่นแหละเรามีสติยับยัง้งจิตอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไป จิตเนี่ยมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองเลยอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงนี่มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองจิตดวงนี้ถ้าผู้ใดมากําหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้วมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรอ่ะอเพราะว่าเรื่องวุ่นวา ย, ยาต่างมันเป็นอดีตล่วงไปหมดแล้วเนี่อย่างนี้นะ มันดับไปแล้วนะเรื่องดีเรื่องชั่วใดๆก็ตามเนี่ยอมื่อนี้เื่ออนาคตมันก็ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นดีชั่วอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาควบคุมปัจจุบันนะจิตนี้ได้แล้วมันไม่มีอะไรนี่ไม่เดือดร้อนอะไรอะลองสังเกตดู ถ้าผู้ที่ทำจิตใ้ลงเป็นปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็รู้ด้วยตนเองแหละว่ามันหมดกังวลอย่างไรแล้วมันเห็นแจ้งเลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวเมื่อจิตตั้งลงในปัจจุบันนี้ด้วยดีแล้วก็มันจะมีอะไรเป็นของตนล่ะ สมมติว่าเงินว่าทองมันก็เป็นเงินเป็นทองของมันอยู่โน่นต่างหากมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งของมันต่างหากเกือบพูดแล้วเรียก ว, ว่าเงินทองก็บธาตุดินนั่นเองเนี่ย อ, อย่างนี้หรือเข้าของเงินอื่นก็เหมือนกันบ้านช่องอาคารสถานที่อยู่ที่อาศัยต่งตางๆนี้สิ่งใดอยู่ตรงไห น, นมันก็อยู่ตรงนั่นออ สิ่งใดที่มันเป็นไปยังไงมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปตามเรื่องของมันนี่ดังนเมื่อจิตหยุดนิ่งในเวลาดูมองดทงูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพของของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในโลกอันเนี้ย นี่หละการบําเพ็ญทางกิจใจนะขอให้เข้าใจความมุ่งหมายามุ่งหมายเพื่อที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวได้หมาเขาว่านะั้นไม่ให้มีคู่ครองเลยไม่ให้มันมีอารมณ์แห่งความรักมาครอบครองอยู่ในนี้ไม่ให้มีอารมณ์แห่งความเกลียดความชังมาครอบครองอยู่ในดวงขีดนี้ นันะเมื่อผ่าเพียนพยายามเพ่งลงในปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะทำกิเลสให้บบาวางออกไปได้จริงๆนะถ้าใครไม่กำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วละกีิเลสไม่ได้นะละไม่ได้ <c oughs> ล่าไม่ได้แล้วเดือดร้อนอุ่นวายเพราะว่ามันยึดมันถือนี่นยึดมันถืออะไรต่ออะไรไว้ในใจนี่มากมายเมื่อมันยึดถือเวลามันเกิดเป็นกิเลสขึ้นซี่แบเนี้นั่นนี่เกิดเป็นความอยากความต้องการปารนาะ เกิดเป็นความเบื่อหน่ายอไม่ใช่เบื่อหน่ายอันประกอบด้วยปัญญานั่นแหละบางคนเบื่อหน่ายชีวิตนี่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อเบื่อหน่ายมากๆเขาแล้วกินยาตายนั่นเพราะมันไม่มีทางออกอ่ะเรื่องมันนะกินยาตายถ้าให้มันรู้แล้วรู้หลอด มันจะได้สบายไปความเข้าใจของคนบางคนนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดถนัดเลยนะโดยจะไปเข้าใจว่าเมื่ออยู่กับร่างกายสังขาร น, นี้มันเป็นทุกข์หลายเมื่อตายไปแล้วมันคือมันก็จะไม่ไม่มีทุกข์อย่างนี้มั้งความเข้าใจของคนนะ่ะ อ้าวจะไม่มีทุกอย่างไงแล้วกรรมที่ตนฆ่าตัวเองนั่นัแหละมันทำให้ตนเป็นทุกข์แบบนี้นะมันจะนำไปสู่นรกอาบายภูมินู่น <c oughs> ควรรูไว้ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วอย่าไปลิข่าตัวตายแม้จะได้ประ สบกับความผิดหวังมากมายอะไรกอดชั่งก็มาอบรมจิตที่เข้าไปฝึกจิตที่ให้มันกาหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นที่ตั้งเลยความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ก็กาหนดละกันลงในปัจจุบันนี้เมื่อเขาคิดอันดับลงก็เหลือแต่ความรู้อันนี้ ก็มีสติประคองความรู้อันนี้ไว้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อกิเลสมันก็เบาไปเรื่อยสิเพราะละมันเรื่อยนี่ที่กิเลสที่มีอยู่แต่เก่าแล้วนั้นเมื่อใจไม่ยึดถือมันก็อย่างว่านนะมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปนะแล้วผู้มีสติแก่กล้าอยู่ในใจแนละ้วมันก็ไม่สร้างกิ กิเลสใหม่ขึ้นมาอีกมาเนี่แล้วก็มีแต่เพียงมียามละกิเลสเก่าเท่านั้นเมื่อไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเมื่อก็นั่นไงเนมื่อกิเลสกิเลสเก่ามันหมดลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองอแต่มันข้อสําคัญมันอยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยมันหลงสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมเรื่อย เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นั่นั้นท่านผู้หลุดพ้นไปได้นั่นเพราะว่าท่านรู้ตัวแล้วอย่างนี้ท่านไม่ยอมสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเลยนีแต่เพียนละกิเลสของเก่าที่จิตได้ลุ่มหลงสร้างมันขึ้นมาท่านนั้นบบไปเรื่อยๆถ้าผู้ใด เป็นอย่างว่านี่นะผู้เรนก็โชคดีแหละอยากมีได้ออกกำลังทำความภาคเพียรพยายามมากเพราะว่าไม่ได้สร้างกิเลสใหม่มาเพิ่มเติมก็ขอให้พยายามกันอย่างนี้ธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย ก็มันมันเกิดจากจิตดวงเดียวนี่แี่ะถ้าจิตดวงนี้ไม่ยึดไม่ถืออะไรเสียแล้วสิ่งทั้งพวงเหล่านั้นมันก็มาทําทุกข์ให้แก่จิตใจไม่ได้เลยแม้ร่างกายอันนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยังยืนก็มันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่เมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือแล้ว ร่างกายเรานี้จะมาทำทุกข์ใครแก่จิตก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละตอนกันแล้วมันเป็นคนละโลกกันคือว่าจิตนี่ เมื่อมันปล่อยวางร่างกายขันห้านี่ลงได้แล้วมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ในโลกไหนเลยแบบนี้มันเป็นยังไงไม่ได้อยู่ในโลกไหนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มีที่อยู่หรือไม่มีไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัย มีแต่ธรรมชาติของธรรมประเภทนี้นะมันมันมีอันเดียวเมื่อมันมีอันเดียวแล้วก็แสดงว่ามันไม่มีที่อาศัยนี่ต้องให้เข้าใจแต่มันมันอาศัยตัวเองพวยง่ายแล้วไหอไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นได้ไม่ได้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยตัวเองมันมันพูดมันไม่มีคำพูดกันแล้วกันเลยถ้าจะว่าอีกในหนึ่งมาถึงตรงนี้นะมาถึงจุดนี้แล้วไม่ทราบจะพูดว่าอย่างไรฮะ น, นี่ เพราะมันมีหนึ่งเดียวอะไม่มีสองมีสามดังนั้นมันจึงหมดคำพูดแต่ว่าหมายความว่าถ้าพูดก็พูดโดยสมมุติกันเอาเฉยๆมันเป็นงั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นแหละ นิพพานังประมังสูนอย่างพระนิพพานเป็นของสูนอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งนี่ <c oughs> พระองค์ก็สมมุติเอาว่า พระนิพพานนั้นเป็นของศูนย์อย่างยิ่งสมมุติเอาว่าศูนย์จากราคาศูนย์จากโทสะศูนย์จากโมหะความหลงนี่คำว่าพรนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่งนะให้เข้าใจ แต่ตัวนิพพานจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรหมรายเขาว่าอย่างนั้นศูนย์ก็ไม่ว่าไม่ศูนย์ก็ไม่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของนิพพานอยู่อย่างนั้นโดยโดยตรงเป็นอย่างนั้นพร ะ, อ, ะ อ, องค์สมมติว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายเขาว่าลักษณะของพระนิพพานเนี่นะนี่แต่ความสุขอย่างเดียว ทุกไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีทุกอะมาเขาว่าอย่างนั้นแต่แล้วถ้าหยุดว่าแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีสุขไมีทุกอะไรอ่ อ, อนั่นแหละนี่คําว่าศูนย์อะไรก็ไม่มีอันเมื่อหยุดสมมุติแล้วน ะ, ะมันก็เป็นธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้ายังตรัสสมมุติอีกบทหนึ่งว่าอมาตะธรรมมะก็เป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีเลยอ่ะเบ่งันเพราะองค์เจ้ายังต ร, รัสว่าอมาตะธรรมนั่นเอะ ด้า น, นการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่ก็เพื่อที่จะให้จิตมันเข้าถึงจุดนั้นเลยถึงแม้ว่าเรายังจะบำเพ็ญเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นก่อนก็ตามแต่ว่าเราต้องรู้ความหมายไว้หมายความว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายไว้เนี่เราจะน้อมจิตเพื่อความเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วแบบนี้นะเอา้า น้อมจิตลงให้มันหยุดคิดหยุดเลกหยุดจากความอยากความปรารถนาอะไรต่ออะไรในโลกนี่เสียแล้วมันมันแสนสบายนะมันนี่มันคิดเห็นอย่างนี้ได้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนะจริงเลยทีเดียวมเมื่อภาวนาลงไปถึงบทใจรวมเป็นหนึ่งลงไปมันก็รู้ขึ้นมา การที่ทำใจให้เป็นใจดวงเดียวจิต ด, ดวงเดียวนี่มันแสนสุขแสนสบายแท่นะนี่มันก็รู้ขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้นะเพราะนั้นท่านยังว่าอนาฬโยแปลว่าผู้ไม่มีความอะไรสิ่งใดทั้งหมด แม้ว่าจะเป็นผวกครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ควรรู้แนวทางอย่างนี้ไว้เราจะดำเนินไปไม่ถึงก็ตามจะขอให้รู้แนวทางอย่างนี้ไว้ เ, ออเมื่อรู้แล้วเราจะได้พยายามน้อมจิตลงไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะออให มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เพราะว่ามันมองเห็นทุกเห็นภายในสงสารนี่แหละสาเหตุที่จิตมันจะน้อมลงไปสู่ความสงบรงับอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างว่านั่นนะถ้าใครมองมองไม่เห็นทุกในร่างกายสังขารอันนี้ หรือว่านอกสังขาร่างกายออกนันนี้ไปก็ตามถ้าใครยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เหลือหลายอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะน้อมจิตไปสู่พระนิพพานแล้ววัน น, นี้มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นจึงว่าในอริยสัจเจธรรมดังสี่นั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงทุกข์นั้นขึ้นก่อนเลย ลองสังเกตดูก็ได้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอันดับที่สองนิโรธคือความดับทุกข์เป็นอันดับที่สามมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอันดับที่สี่เนี่ย <c oughs> ทำไมยังเอามักมาไว้สุดท้ายพี่ที่เอามาเอามักมาไว้ตอนท้ายนั่นเพราะว่าบุคคลจะมาเห็นทุกข์ภายในสงสารนี่ก็เพราะเจริญศีลให้บริสุทธิ์ทำศีลในบริสุทธิ์แล้วเจริญสมาธิทําใจสงบก่อนเมื่อทําใจสงบลงไปแล้วนิวรณ ทางห้าดับไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นจึงมองเห็นทุกข์ไยในร่างกายสังขารนี้ได้อย่างจงแจ้งเลยวันนี้น ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เบื่อเลยเรามาใส่อยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์กิเลสมันก็เกิดขึ้น แหละเมื่อจิตใจเป็นทุกข์กวนกระวยแล้วเอา้าก็อยากให้หายนี่ <c oughs> อยากให้หายไม่อยากให้ร่างกายนี่มันสุดโทรม <c oughs> อยากให้ร่างกายนี่มันเป็นปกติไปเรื่อยอ ย, อย่างนี้นะ <c oughs> เนี่ยเมื่อเมื่อความอยากมันมีอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็ทุกข์สิแบบ น, นี้นะมันก็เดือดร้อนนะเออไม่อย่างให้ร่างกายนี่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วถือมั่นอยู่ในใจอย่างนั้นท่้นพอโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนกันแล้ววันไว้แล้วนี่ ไอความอยากหรือว่าความยึดถืออันเนี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยนะมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยถ้าเราไม่ยึดถือแล้วย่างนี้แม่ร่างกายนี่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภครจะเบียดเบียนยังไงยังไงจิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์นะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะนั่นเอง เพราะมันไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่สำคัญว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเราไม่ได้สำคัญขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้ามันไม่ได้สำคัญอย่างนั้นมันละความสำคัญอย่างว่านั้นออกหมดแล้วมันจึงได้เห็น แจ้งในขันหานี่ว่าเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสัจจบุคคนนั่นแหละผู้บำเพ็ญทางคิดใจผู้ภาวนาเนี่ยมันต้องทำใจให้เป็นอย่างนี้ต้องพยายามอย่าไปถือว่ามันเหลือวิสัยมันไม่เหลือวิสัยนะ ดังนั้นนะถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้กระทำบำเพ็ญควาจริงนะกายมันก็มีอยู่นี่แล้วใจก็มีอยู่นี่แล้วนะแล้วทำไมละ่ะถึงทำไม่ได้ออทำไม่ได้ก็เพราะไปสะสมเอากิเลส ใส่ใจไว้หนาแน่นพอแรงนะกิเลสมันมีอำนาจเหนือมันบังคับไม่ให้ไหวพระไม่ให้สวด้นมันบังคับไม่ให้นั่งสมาธิภาวนาคอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เล่นงานเอาทำให้ อ, อึดอัดขัดข้องขึ้นมาก็ต้องลุกหนีไปจากที่นั่งสม า, สมาธินั้นเสียนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาดูให้ดีอันนี้เลยะที่ว่าเทศกันนี้นะเป็นกันที่แสดงเรื่องการอบรมกายวาจาจิตนี้โดยเฉพาะเลยไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นครืหัดก็ทำได้นักัวก็ทำได้ ข้อสาคัญมันให้อยู่ที่มีศรัทธาเพียงพอหรือไม่เท่านั้นเนี่ยถ้าศรัทธาไม่เพียงพอแล้วมันทําไม่ได้ทั้งนั้นแหละใครก็ทําไม่ได้ถ้าศรัทธามันแก่กล้าพอแล้วแม้จะอยู่ครองเรือนมันก็มันก็ยังถือโอกาสทําความเบียงนทางขิตใจได้อยู่ไม่ใช่ไม่มีช่องทาง ไม่มีเวลาเสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันมีอยู่แต่ว่ากิเลสมันไม่ให้ช่องเท่านั้นเองหรอกวันนี้เราก็ฝืนอำนาจของกิเลสแหละเนียจะไปยอมให้กิเลสมันบัญชาอยู่นั้นตลอดเวลาทำไมล่ะนี่เราก็ต้องฝืนอำนาจแห่งตัญหาอาวิชชาโมหะไม่ไปตามมันนะ เอาล่ะเราจะนั่งสมาธิภาวนาขนานี้หนะ่ยกับนั่งเอาละเราจะเดินจงกรมเวลานี่ก็เดินอย่าง น, นี้ไม่ไม่ไปตามอำนาจของกิเลส ท, ที่มันบันดนบันดาลให้ง่วงเอาเผานอนให้เกียรคร้านขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไม่ไปตามมันนั่นอิทธิพลของกิเลส เอาสู้กันเราเราไม่ถอยเอาเอาจนตายนั่นแหละตายแล้วก็แล้วไปเอาตายเป็นที่ตั้งก็แล้วกันเลยก็หมดลมหายใจแล้วก็หยุดทำความเพียรกันบนี้ทำไมจะทำไม่ได้เป็นเพศไหนก็ทำได้ขอให้มีศรัทธากับปัญญา ให้เกิดขึ้นเท่านั้นในการที่ปัญญาหรือสถามจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตนก็อาศัยการฟังในการอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านที่มีสติมีปัญญาท่านผู้บำเพ็ญฝึกผลอบรตนมาก่อนอท่านต้องรู้นึกเตือนหนาบาง ได้เป็นอย่างดีทีเดียววันนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้ว